ชีวิตขีงเราเกิดมาจนนั่งถึงทุกวันนี้เราก็ได้มีประสบการณ์พบเห็นอะไรกันมาบ้างในทางโลกเราท่องโลกกว้างแล้วทัศนาจรจนเกิดการมาพบต่างๆมากมาย ขนขวายแสวงหาทยานยากสถานที่หน 1, 2, 3, ึ่งสองสามบุคคลนึ่งสอามตุ1หนึ่งสองสาัศนาจรต้องโลกว้างแต่ว่ามันมีอย่างก็คือเรื่องภายในจิตใจเราปัิปัาญาน ยานทศนะขนส่งจิตเราเห็นมีรูปภพอรูปภพเป็นภพสามกรมภพบราใช้เงินใช้ทองซื้อเอาทำงานทำการถ้าการไม่เห็นรูปภพ อรูปภพที่มันเป็นรูปไม่ใช่รูปคือจิตของเราเป็นร่าของนมามธรรมการฝึกเจริญสติจะได้เห็นกายเห็นใจกายเป็นวัตถุรูปธรรมเราก็เจอการทุกครั้งที่รู้สึกสัมผัสที่เกิดมาจากการเคลื่อนการไหว นามธรรมเอารูปภพเป็นอารมณ์ต่างๆมันไม่มีรูปมันเป็นความคิดเป็นรูปที่เป็นนามมันเป็นนามธรรมที่เป็นรูปเรารู้สึกตัวอย่างที่ภาพอดดีก็พอมาพุทธขึ้นมา หน้าพอ่อหน้าแม่หน้าคนรักหน้าคนชังศัตรูกลัวลิกลัวคาดพยาบาทเหตุการณ์ต่างๆประทับใจไม่ประทับใจมันเป็นลอยกรรมใครคิดใครพูดใครทำมันก็โผล่ออกมาบางครั้งมก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเป็นบุญเป็นบาป เราก็รู้แล้วรู้อีกพบแล้วพบอีกไปทมเราจะได้เห็นพบชาติจรามรณะได้เห็นเคยคิดเคยพูดเคยทำเราได้เห็นอดีตหรือว่ามีความกังวลห่วงใยสับสนกับเวลาที่เหลืออยู่ไม่มั่นใจตัวเอง เราได้เห็นอนาคตในพบการรูปรอยของความคิดต่างๆเต็มคิดขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็รู้แล้วรู้อีกเห็นแล้วเห็นอีกทุกครั้งที่กลับมาสู่ปัจจุบันกันนะมันก็เป็นฐานเป็นสภาวะของ จุดดูจุดของผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแปลงนนของการได้สัมผัสคสภาพทมต่างๆเต็มเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องถูกต้องก็คือไม่มีความหมายอาการต่างๆก็เป็นเพียงแค่อาการของธรรมชาติที่รูปธรรมนามธรรมมีเหตุมีปัจจัย เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันทุกๆอย่างมันมีเหตุทำมาเกิดเป็นผลขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดจากเหตุจนมีคําพูดถึงว่าตามเมโสปเพรกตเหตุสุขทุกขังในขจจติโบราณกังกระตังปาปังตมเมมจะเจยนังเป็นคําพูดถึงว่าขนานี้ไม่ว่าเรากําลังสัมผัส กับความสุขและความทุกข์เนื่องจากเหตุเคยทำบุญทำบาปมาในการก่อนโบราณกัรกระทงปาปังในการก่อนก็ชื่อว่าเรากำลังใช้หนี้ชนิดทำอะไรไว้มันก็เป็นผลเหตุผลทำกรรมก็มีวิบากทำให้ลำบาก เป็นผลตุกโตตุกฐานนั่งให้ทุกแก่ท่ททานทุกนั้นก็ถึงตัวมันจะมีมันอยู่การคิดการพูดการทำเป็นผลของแหล่งสะท้อนของกรรมบวกระดกเบี้ยให้ด้วยเราจึงมาดูมารู้มาเห็นผ่านการเคลื่อนการไหวรู้เนื้อรู้ตัว กลับมาอยู่กับสภาวะของธรรมชาติปัจจุบันกันนะที่ปัจจุบันจะส่งผลทำให้เกิดการลืมหูลืมตาสอดส่องทำร ร, รรมวิยะมราจะเห็นสภาพธรรมต่างๆที่มีสภาวะของเหตุปัจจัยที่เป็นเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เราเป็นบุคคล แว่าเราอยู่กับธรรมชาติแรงของธรรมชาติแรงของธรรมะมันก็มีผลต่อชีวิตของเราตัว น, นี้แหละที่เราจะต้องเกี่ยวข้องให้ถูกต้องเกี่ยวข้องอดินฟ้าอากาศเหตุปัจจัยของดินฟ้าอากาศกลางวันกลางคืนเราก็มีปัญญาเกี่ยวข้องรู้กาลเทสะรู้นะไม่ใช่เราอยู่ในโลกคนเดียว ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมก็มีอยู่ในจุดอื่นๆมากมายเราก็ได้เกี่ยวข้องกันเรื่องของบุคคลเรื่องของสมมุติบัญญัติต่างๆอันนี้มันจะเป็นตัวปัญญาเป็นลักษณะของธรรมานิยามเป็นเรื่องของอุตุนิยามเป็นเรื่องของการจเจริญเติบโตต่างๆที่เกี่ยวข้องกันพิจาริยามเป็นการทำลงชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี่เอง ที่เราจะต้องหายสงสัยในเรื่องของโลกธาตุโลกธรรมในเรื่องของรูปนามกันหน้าผ่านวิชากรรมฐานเดินก็นรู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวเพื่อนะการนี้โดยเฉพาะเห็นสภาพธรรมที่เป็นโลปธรรมเห็นการแก่การเจ็บการตายร่างกายขอยงเราฟังสอกยาวนานคือเห็นโลคาพยาธิต่างๆ กินปลากรดขึ้นมาให้เราเกี่ยวข้องในการผลขววยไม่ขลขววยเกี่ยวข้องเพราะว่าในโลกนี้มันมีคนใจดีใจงามคนที่เป็นเทวธรรมเพื่อกูลทํางในโลกนี้น้ายอยู่เราได้เห็นมีการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อเฟือ้ออนุเคราะห์สงเคราะห์ทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุข เราได้เห็นเราหนักของโลกเพ็นโลกของสมมติบัญญัติจิตคิดแต่เรารู้ไม่ทันอาการของจิตจิตมังกรจะทาหน้าที่ทํางานเป็นภพชาติชรามารณะตามกฎของธรรมชาติกฎของกรรมทําดีมันจะมีผลดีทำชัว่วก็มีผลชั่วทากรรมฐานใส่เจตนาลงไปนะ มันก็เป็นกรรมที่ส่งผลถ้าไม่สัมผัสกับธรรมชาติสติสมาธิปัญญาเราเห็นปัญญาการทำงานของปัญญามันเป็นยังไงรู้รู้ไม่ติดรู้อะตัวนี้มันมีอยู่ถ้ารู้แล้วติดยู้รู้มาอยังเป็นปัญหารู้ไม่ติดรู้มาเป็นปัญญาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าใช้วางใช้วางมันจึงเป็นอาวุธนั่นเนี่ย ปัญญาวุฒิปัญญาที่ประกอบด้วยธรรมะเป็นธรรมวุฒิอันนี้เราเพึงได้มันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขใช้กายใช้ใจใจวาจาใจอย่างเป็นสุขไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นการไปกระทำนี่ไม่เป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นการสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ท่าน ปรยชน์ทันก็คือเกี่ยวข้องกันอลไรก็ได้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่มันจะเกิดขึ้นไหมประหยัดทางพื้นที่ปฏิบัติเราก็อยู่ทางเดินจงกลมกันอยู่กติศาลานั่งสร้างชั้นไประหยัดสุดเราก็ไม่ได้เดินเพ่นพ่านนะคำพูดเราพูดน้อยที่สุดประหยัดคำพูดเราได้ประโยชน์มากที่สุดในการพูดพูดแล้ก็ประโยชน์พูดแล้วเกิดความสงบพูดแล้ว เกิดความสมัครสวาสามกีผู้แล้วเกิดปัญญาผู้แล้วทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพพึ้นมามากมายนะเราใช้ในการนี้โดยเฉพาะไม่ใช่ต่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบโกหกนินทาหรือว่ายุยแยงตะแคงแยบประจบประแจงเล่นลิ้นนีเราใช้เป็นวจีสุจริตน พูดคำจริงเอาจะสร้างสรรมาจากการฝึกหัดปฏิบัติจยานั้นมันพัฒนาขึ้นมาเป็นสติจเจริญเติบโตขึ้นมาสติปัฏฐานมันจะคล่องตัวตรงนีน้เราได้เห็นกายเห็นใจของเราแล้วรูปธรรมนามธรรมได้เกี่ยวข้องกับตัวเรานี่ยแหละทายังไงถึงจะไม่ทุกข์มันมีเหตุขึ้นมนอยูะเหตุก็คือชอบหลง จารเฉลี่ยน like> ิสัยไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาคือลักณะของบาปอกุศลไม่ฉลาดมืดมันกลายเป็นความงุนงงเงินเงินกลายเป็นเรื่องงี่เ evet ง่าเป็นความโง่นะตรงนี้คือไม่รู้มันหลงเมื่อเราฝึกให้มันรู้มันจะไหลขึ้นมาตรงนี้แหละที่เราพยายามเพียนกัน เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นกายเคลื่อนไหวจังสติมันจานานเมื่อเห็นจิตของเราที่มาใสอยู่กับร่างกายนะมารมาทําที่มาใสอยู่กับรูปธรรมทุกลังที่มันรู้สึกตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นต้องการจะเห็นจิตศึกษาจิตเห็นจิตจับจิตมันอยู่ก็ต้องรู้สึกเพราะว่ารู้สึกก็คือจิตนั่นแหะ รู้สึกตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นรู้ทางตาจิตก็ไปทางตารู้ทางหูจิตกระไปทางหูรู้ทางจมูกจิตก็มาทางจมูกรู้ทางริ้นจิตก็มาทางลินสัมผัสรู้จิตก็มาที่สัมผัสทุกครั้งที่สัมผัสรู้จิตก็ปกติถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้เราจะไปฝึกตรงไหนกันถ้าฝึกใจทางตาจิตก็ออกไปนอกตัวบรามัละเอียดฝึกฟังเสียงไปทางหู มันก็ละเอียดอีกจิตก็ไปทางเสียงมันก็ออกไปทางหูสัมผัสที่หูมันก็ไม่ชัดอันนี้เวลาใกล้าตายเนี่ยจะชัดหรือเวลาสลบนอนอยู่ในห้องไ c ซี่ะชัดจริงๆเคยมีประสบการณ์มาเรื่องแบบนี้ได้ยินจริงๆเวลาสลบอยู่นะเขาพูดอะไรกันนะจิตเราต้องเที่ยวไปไหนมันเห็นอยู่เป็นรูปรอยอความคิดที่เสมือนจริงมากๆหรไม่ทางมาเกินถ้าใครฝันฝันลายเห็นนะ มันก็จะเหมือนจริงที่สุดเลยมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันสร้างภาพได้เหมือนมากเพราะฉะนั้นจิตมันจึงเป็นนามธรรมที่ถ้าไม่รู้ทันมันหลอกเก่งหลอกให้รักหลอกให้จังหลอกให้สุขหลอกให้ทุกข์แล้วกลับมารู้สึกตัวกายมันจะไม่เป็นธรรมชาติที่โกหกมันแก่มันก็แก่มันเจ็บมันก็เจ็บมันตายมันก็ตายะมันหิวมันก็บอกว่าหิว มันบอกตรงๆเมื่อยมันก็บอกว่าเมื่อยมันหนามันก็บอกว่าหนาวันร้อนก็บอกว่าร้อนมันบอกตรงๆคราวนี้การที่เอาสติมารับรู้ความรู้สึกตัวทินกายของเราทุกๆขณะมันก็บอกตรงๆตุกลางมีการสัมผัสจิตมันก็ปกติเพราะว่ากายมันบริสุทธิ์มันเป็นความบริสุทธิ์ของธาตุของขันธ์ นะอย่างโลกนี้ก็เป็นธรรมชาตินะที่เป็นความบริสุทธิ์โลกไปกล้เจ็บของกายเราว่าตัวเราแต่ว่าพญาตก็ว่าโลกของมันนะอาหารของมันเนะชื่อโลกต่างๆก็ว่าอาหารของมันยนะุงก็ว่าอาหารของมันมันก็ไม่ได้มองว่าเป็นอะไรหรอกนะเพียงแค่มันเห็นว่าเออถ้ากินเลือดกินเนื้อมันก็มีชีวิตอยู่ก็มไม่ได้สนใจเราจะตบจะตีมันก็ตายนะ อ็ น, นี้เราว่าของเราเขาก็ว่าของเขาเรื่องม่กระทั่งอาหารพืชพันธุ์ทันญอาหารสัตว์สารละสิ่งนะเกาก็มีชีวิตอยู่เราก็ว่าเออเรารับประทานเข้าไปมันจะทําให้ร่างกายธาตุขั น, นเงาเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอแล้วอยู่ได้ในโลกใบนี้เราลดหวานเข้ามาระบอบมันสมานะนะี่หรือเอารดปาดเข้ามาระบอบมันสมาน มันช่วยนะทำให้ร่างกายของเรา ม, มีพลังนะช่วยให้รนะ่างกายของเรามีชีวิตยอยู่ได้นะเอาเค็มเข้ามาแล้วก็บำบันสมานช่วยให้หนะลายๆส่วนของร่างกายของเรามันเกิดพลังงานขึ้นมาได้นะอย่างนีน้เรียกว่าฝาสมานหวานซาบเนื้อเมาเบื่อขับพิษดีโลหิตต้องลดขมขับลมต้องเผ็ดร้อนขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกตนี้ อ็นอ่อนต้องลดมันหอมชื่นใจให้หัวใจใเข็มนั้นใจให้ผิวหนังเสมหางต้องลดเปรี้ยวหนึ่งเดียวคืลดจืดอาหารจืดจืดอะไรรสชาติมันขาดไม่ได้อาหารที่ดีที่สุดต้องลดจืดนนเต่อมากไปน้อยไปทุกอย่างไม่ดีต้องพอดีมถึงดีก็เมืนจิตใจของเราความเป็นปกติมําจืดจืดรู้จืดจืดตรงนี้หลวงปู่เทียนเคยบอกกับหลวงพ่ออมเขียนว่า นี่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ทําให้มันจืดนะนะเอามือไปกดก้นของเด็กนะที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆไปกดดนะูแล้วก็ปล่อยออกมานี่นี่นี่ให้มันจือดอย่างนี้นะเราฟังแล้วเราก็อืมจิตใจที่มันจืดจื ด, จดนะมันเป็นปกตินะรู้สื่อๆรู้เฉยๆนะมันจืดมันไะม่สุขมันไม่ทุกข์มันปกติมันรู้สื่อๆดูเนี้ย เราได้เห็นล้เออมันรู้ซื่อซื่อจริงๆมันไม่ใช่รู้เซเซรู้แบบไม่รู้อะไรรู้แบบไม่มีปัญญาไม่ใช่เมื่อมันรู้ไก่ยมันต้องเห็นไกาไก่เมื่อยมันเห็นก่เมื่อยแต่ใจไม่เมื่อยต้องเห็นเดินไปเดินมาเนี้ยกายมันเหนื่อยหรือว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็ได้เห็นตามความเป็นจริงมันปวดสว่ามันหิวมันกรหายเราก็ได้เห็นตามความเป็นจริง อนนี้มันเห็นแล้วมันซื่อใจมันไม่ทุกข์แต่มันเห็นอยู่มันไม่นั่งก็โวยไม่ลุกก็โวยมันไมเอารูปแบบมันเป็นความเบื่อแต่ว่ามันเอารูปแบบมาเป็นปัญญารูปแบบมันเป็นกรอบเป็นกฎเป็นขอบเป็นเขตเราเห็นจิตของเราเวลามันอยู่ในกรอบในขอบในเขตอยู่การกําหนดรู้ความรู้สึกมันเป็นเจตนาหรือว่ากรรมฐาน ถ้าไม่มีเจตนาใส่ลงไปมันเป็นกตต ก, กรรมตามไปงั้นแหละยกประลอกปอกแปกไปมันมันเป็นกตต ก, กรรมทําแล้วไม่รู้อะไรและไม่ให้ผลนะมันก็จะอยู่ได้แค่ไปวันๆหนึ่งแต่เราไม่รู้อะไรเพราะนั้นเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ความลึกซึ้งของการกระทําของเราเรียกว่ารู้อัตถะในจริงที่เรากระทากันอยู่เนะี่ยมันรู้ทําไหมอย่างเราจะทําอะไรก็ตามต้องรู้แล้วรู้เหตุรู้ผลและวทำทำไม ทำไมต้องทำจะรู้ชัดทำไมหมเหตุปัจจัยมันคืออะไรอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราเคลื่อนมือเราเรารู้ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องสัมผัสทำไมต้องกระทบทำไมต้องรู้สึกตัวอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างอื่นเรวก็ทาไปเรื่อยๆอานนั้นมันไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าเรามาทำรูปแบบไปการเล่งการเรียนรู้จุดนี้หลวงปู่เคยใช้ก็ว่า กวดวิชากวดวิชาก็ามหมายถึงว่าเราฝึกตัวรู้ฝึกตัวรู้ให้มันรู้สดๆนะภาษาอาจารย์โกวิดเคมานั่นแะนะรู้สดๆนะรู้ให้มันเป็นปัจจุบันนะขณะที่เราตั้งใจรู้ให้มันรู้เหมือนนักมวยก่อนที่จะไปชคบนเวทีเป้าเคลื่อนไหวเต่กระสอบทรายแต่ตนกล้วยให้มันถูกซะก่อนเตะจนกระทั่งเท้ามันด้านแลนะ้นะ เพราะว่านักยิงปืนแม่นปืนจะยิงเป้าให้มันโดนเป้าบินนะนะคำว่าเป้าบินหมายถึงว่าเขาล่อนจานนะนะเหมือนกับจานแล้วก็ใช้ปืนลูกซองยิงปุ้งถ้ายิงถู ก, ก็ได้คะแนนอย่างนั้นน ะ, นะแต่ว่าก่อนที่จะยิงอย่างนั้นเป็นเขต้องเป้านิ่งๆโตๆแล้วก็ยิงให้โดนอันนี้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยชั้นใดก็ดีการที่เราเจตนาเคลื่อนเนี่ยแล้วก็รู้สึกนะ ทำให้มันเป็นนะก่อนก่อนเห็นความคิดที่มันเคลื่อนไหวหเป็นนามธรรมนะถ้าเราเคลื่อนไหวถูกโป๊ะโปะ๊โป๊ะเป็นปัจิบัตนะนะถูกแล้วถูกอีกจนกระทั่งสติมันเจริญนะเราค่อยๆได้เห็นอาการที่ไปอยู่กับความคิดอาการที่รู้ทันความคิดแล้วก็สภาผู้ดูที่มันดูความคิดแล้วมันเห็นความคิดแล้วไม่เข้าไปเป็นในความคิดในภพชาติชราบุรณะมันไม่เป็นตรงนั้น มันก็เริ่มต้นจากการเห็นกายวางกายรู้แล้วก็ละเป็นนะตรงนี้ละมันอาศจรย์ใจแล้วแหละนะมันมีความรู้สึกเออเราไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนนะพอรู้แล้วมันหลุดหลุดออกจากอารมณนะ์ปกติรู้แล้วมันเข้าไปอยู่กับอารมณ์ดูหนังดูละครแล้วอินก็เป็นนางเอกพระเอกอย่างนีนะ้นะหรือว่าบางทีไม่ชอบตัวฉิชาแต่ว่าก็จํามาทั้งหมดนะั่นแะ พอถึงเวลาก็แสดงบทลายได้สมหมทบาทาทั้งๆที่ไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนมือนะและอินเนะี่ยก็แสดงว่าอยู่ในช่วงของแกแ่งเพ่งจ้องนะอยู่ในสภาวะของการเข้าไปติดกับตัวรูนะ้ไปยึดเอาตัวรู้ฐานรู้จําเป็นสมถะกรรมฐานแล้วก็อ่านแล้วก็ถอดละอานเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆพอมันหลุดออกมามันก็เบาโลง่งสบายนะ เมื่อได้รู้จักอ๋อเวลาเก่ง เ, เพ่งจ้องเก็บกดเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเราเผลอหลงไปตามความเคยชินคุ้นชินเกา่าๆนิสัยเกา่าๆมันตามมาหลอกมาร้อนอย่างนี้นะไม่อยากกดก็กดไม่อยากโลดก็โลดไม่อยากหลงก็หลงไม่อยากรักก็รักอยากชังก็ชังไม่อยากสูบบุหรี่ก็ติดบุหรี่ไม่อยากกินกาแฟกินกาแฟอ๋อไอ้ตัวพวกนี้เป็นลักษณะของการที่เราติดนิสัยหความคุ้นชินเก่าๆ แล้วก็ทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกอย่างตอนเช้าๆนะจริงๆมันก็ไม่อยากลุกขึ้นมาทําวัดเช้าหรอกแต่ก็ฝึกวิถีชุมชนเป็นอย่างนี้ฝึกลุกขึ้นมามาทําวัดสุดมันจริงๆมันก็ร้องขอนะนอนอีกนิดนึงก็แดนะไม่เป็นไรหรอกอีกนิดนึงก็แดดแหมกำลังสบายอีกนิดก็แดดเดี๋ยวจะไปทํางานทั้งวันมีเรีย่ยวมีแรงมันก็อ้างแบบเนี้เราเลย นึ่งตัวขี้เกียจเนี่ยนะไอ้ น, นี่มันตัวที่มันไม่ได้พัฒนาทําให้เกิดความเสื่อมนจิตของเราเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยนะเราก็ตื่นมาดูโลกโลกมันมีอะไรให้ดูตอนแต่ตเช้าเนะตื่นมาดูโลกแล้วเดี๋ยวเราก็หลับสบายไม่ต้องใช้ายตาหอไม่ต้องเรียนรู้ไม่อีกต่อไปมันจะไปไหนมันก็ไปตามวิบากกรรมต่างๆ เราได้ฝึกตัเองลุกมาจากที่นอนหรือไม่ก็นึกถึงว่าออุจจารยนะมหาจยนาเวรมณีสิกขาพระธานสมาธิยามินึกถึงว่าเออศีลแปดเราไปนั่งนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่นอ น, นสบายที่นอนมันนอนแล้วมันติดที่นอนเนี่ยเราก็ฝึกตนสอนตนนึกถึงกรอบระเบียบวินัยศีลมันมีอยู่เราปฏิบัตินอนเข้ามาใส่ตัว มันก็ดีตัวเองเสร็จแล้วก็เก็บที่นอนหมอนมุง้งหรือบางทีสติมันก็ตื่นขึ้นมาเลยพอแล้วก็บำพอแล้วตื่นขยันทำนั่นทำนี่ทำนู่นถึงบางทีไม่ได้เปิดไฟมันก็นั่งสมาธิเงียบๆอย่างเงี้ยดูลมหายใจดูพลังชีวิตมันค่อยๆฟื้นมายามเช้าจิตที่มันสดชื่นป่องใสร่างกายกอะไรมีบางส่วนที่นอนมาทั้งคืน มีการกดทับเมื่อยนะมันหนักมันก็มีกันอยู่เช่นตานาะนะมันปิดมาทั้งคืนมันกดเนี่ยเวลามจะลืมตามันก็หนักๆเพราะว่ามันกดทับมันมันไปล็อกอยู่ระบบประสาทเนี่ยแล้วก็เออนดหนวดนวดหนวดนดช่วยเหลือ้มันหน่อยรู้สึกตัวไปพอใจก็ตื่นกายก็ตื่นไปด้วยกันเออค่อยๆกำหนดลุกขึ้นมาด้วยสติพับที่นอนหมอนมุงร่างหน้าแปลงฟันเนี มันก็เป็นการฝึกหัดให้เราได้พัฒนาจริงๆขึ้นไปจนเห็นรายละเอียดที่มันลุ่มลึกมันซาบซึ้งลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทตัวนี้ละมันก็กลายเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตจิตตาภาวนาที่เรามาได้จิงแรรล้อมได้กัลยาณมิตรได้ครูบาอาจารย์ได้คําบอกได้คําสอนี้ เามารู้จุดจืดรู้จุดจืดนะใจได้กับทุกๆอาการกินปลากฏขึ้นมากายป่วยใจไม่ป่วยคือมันรู้จุดจืดหรือว่าจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งแต่ว่ามันไม่เข้าไปในความคิดจิตก็ปกติคือรู้จุดจืดกลายเป็นเรื่องของอุเบกขาธรรมรู้จิตจืดเพราะฉะนั้นเราหนักคาว่ารู้ซื่อๆนะอุเบกขาธรรมนี่นะเป็นทั้งพรหมเป็นทั้งพระเป็นทั้งพรหมก็หมายถึงว่า เราทําดีให้ถึงพร้อมแต่ว่าทําดีไม่ติดดีก็มันจะมาลงที่อุเบกขาทำเวลามีคนมีความทุกขนะ์แสดงออกหรือว่ามีปัญหาแสดงออกเป็นการงานเราก็วางจิตวางใจก่อนที่จะกรุณาเมตตาการุณานะก่อนที่จะลงมือช่วยแล้วก็วางใจให้เป็นอุเบกขาทำหรือบางทีเราช่วยได้เราก็พอยินดีก็ไม่ฉิชาหรือเสยีย พอยินดีนเห็นเขาหายจากความทุกข์หรือว่าแก้ปัญหาได้ปัญหาหมดไปด้วก็เป็นเรื่องของก็ความยินดีเกิดขึ้นมานแต่ถ้าแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้จริงๆก็คือก็วางอุเวขาทำหลังจากช่วยเต็มที่แล้วช่วยไม่ได้จริงๆนะวางเฉยทํามาสุดฤทธิสุดเดชแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆไปวางเฉยนะคิดว่าวางเฉยคิดว่าวางเพราะฉะันปล่อยวางเกิดจากความคิดเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ ประเภทนี้ยกเมฆเดี๋ยวเจอก็สอบสอบตกมาพวกนี้ท้ายสุรวันไหวกลายเป็นเรื่องของสับสนยุง่งเหยิงแล้วก็เป็นปัญหาแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วก็สร้างปัญหาให้ผู้อื่นก็ได้แก้ต่อไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นการ ก, กลับมารู้สึกตัวล้รู้ซื่อๆรู้จืดๆตรงนี้ทให้เป็นทามันทําเป็นแล้วมันหายสงสัยก็เจอได้ว่าทุกคนก็จะทําประโยชน์ จะไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวทุกคนก็ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจทําประโยชน์สร้างโลกในโลกนี้มหน้าอยู่เป็นโลกของพระอริยะนะจะชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามถ้ากลายเป็นเรื่องของทุกคนเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานสี่ไปไหนก็จะถามกันรู้สึกตัวอยู่ป่าไว้ไหนก็จะมันก็ว่าคอยตักคอยเตือนกันเห็นเพื่อนผู้ประมาทเราไม่ประมาทด้วยแล้วก็คอยช่วยเหลือกันว่ากล่าวตักเตือน ใครควรแล้วก็เกี่ยวข้องกันอะไรพวกน้ก็กลายเป็นเรื่องของกิริยามิตรเมื่อเราเข้าถึงกิริยธรรมน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องมีความอดทนต่อการซาบซึ้งลึกซึ้งไม่ถือสาหาความแล้วก็ไม่พาไปทางที่เสื่อมเด็ดขาดมีต่ชีให้รู้สึกตัวมีแต่นากันพากันทำมีอะไรให้ทำเป็นความดีความงามและช่วยเราก็ทำกันแล้วก็ชวนกันเจริญสติ จะใช้สิ่งแวดล้อมรั้วรอบขอบชิต400 400ก60เมตรขอภัย 4,060 เมตรนั่นก็คือ4กิโลเซตต์รัวรอบขอบชิต5 6 2เลยเราใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วเป็นเรื่องการสร้างสรรค์ชีวิตของเราได้ ว, ว่าจิตตภาวนาในรูปแบบนอกรูปแบบ มีการเคลื่อนไหวรู้สึกกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกตรงนี้เราก็ได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆแล้วก็ความคิดที่แสดงเป็นเล่านะของภพภูมิคิดดีอย่างนี้เทวภูมิคิดไม่ดีอะไยอบยัอบยภูมิแล้วก็มันเป็นความคิดที่เรารู้เท่ารู้ฐานอนี้ก็เป็นเรื่องของสุขติสุคโตนะไปแล้วด้วยดี มันไม่เข้าไปอยู่ในการคิดการปรองเป็นภพชาติชรามลณนะเพราะว่าตัวภพชาติที่เป็นภพแล้วก็สร้างให้ชีวิตของเรามันหมายถึงเกิดชาติหน้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดหรือว่าความคิดชนิดนี้หยุดจบไปความคิดใหม่ก็มาอันนี้คือตัวความหลงตัวขาดสติตัวไม่รู้สึกที่ฐานกายนั่นเอง เพราะฉะนั้นความรูม้อยู่แล้วในตัวเราทุกคนไม่เว้นไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้พัฒนาตัวรู้จนทั้งเดินทางเข้าสู่สภาวะของกระแสะแล้วเข้าสู่มรคเข้ากระแสะก็หมายถึงว่ารู้รูป ร, รู้นามคําว่าได้หลักของทางเดินก็เรียกว่ามรค ก, ก็คือเห็นความคิดจากหยาบบางคนก็เห็นอย่างหยาบบางคนก็เห็นอย่างกลาง หือท้ายสุดกเห็นอย่างละเอียดนะเป็นไปได้เป็นไปได้นะมันเป็นเศรษฐธรรมนิเวศนตัวเราทุกคนไม่เว้นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทําได้แน่นอนตรงนี้ยแต่หากว่าเราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกทั้งความเป็นเองแล้วก็เกิดขึ้นเองนะถ้ า, าเรารู้เท่ารู้ทั น, นทุกรั้งก็หมายถึงว่าตัดพบทัดชาดติตัดกรรมอาจารย์นี่ก็พูดให้ฟังนะสมควรเกเวลากลา บ, บพร้อมกันครับ